คอลัมน์เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนที่สวิธีเข้าเส้นชัยบทก่อนเราปิดสมองเพื่อทำอย่างไรก็ได้ให้มือรัวไม่หยุดสักห้านาทีบทนี้เราเปิดสมองให้ทำงานหลักแล้วให้มือเป็นค่าทาตของสมองอีกทีย้ำว่าบทก่อนสำคัญมากส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาสืบเนื่องมาจากการฝึกบทแรกโดยตรง หากยังไม่เห็นความสําคัญหรือหากยังไม่ลงมือหัดก็อยากให้คุณฝึกออกตัวในบทก่อนสักสองสามหนจนกระทั่งรู้สึกว่าพิมพ์ได้เหมือนพูดรู้สึกว่าปลายนิ้วเหมือนปากซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นรูปแบบการคิดถ่ายทอดถ้อยคำจะเหมือนพูดไม่ใช่ว่ากว่าจะได้แต่ละวักแต่ละตอนต้องเค้นคิดว่าจะเขียนอะไรดีจนเหนื่อยบางคนพูดเก่ง มีใจความตามลำดับเป็นอย่างดีแต่พอให้มาเขียนกลับเขียนวกวนไม่ค่อยเป็นไปตามลำดับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะระบบความคิดถูกรบกวนด้วย1ินิ้วอ่อนหัดถ้าหัดพิมพ์สัมผัสจนมีความสามารถเทียบเท่ากับที่ปากและสมองประสานงานกันคุณจะไม่กลัวการเป็นนักเขียนเพราะมันก็ง่ายไม่ต่างจากพูดเล่าอะไรอะไรให้คนอื่นฟังด้วยปากเปล่าสักเท่าไหร่ และยิ่งฝึกออกตัวมากขึ้นคุณก็จะยิ่งเห็นข้อได้เปรียบประการสำคัญของการเขียนที่มีอยู่เหนือการพูดนั่นคือการพูดนั้นเมื่อพูดแล้วหายลับไปในอากาศหรือแม้บันทึกเสียงไว้ก็ปรับแก้ยากในขณะที่การเขียนหมายถึงการจารึกอักษรไว้ที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ต้นเมื่อจะปรับแก้ก็สะดวกโดยเฉพาะ ในยุคที่เราเขียนด้วยซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบทกันมากกว่าอย่างอื่นการจะตัดแต่งหรือต่อเติมนั้นแสนง่ายชนิดที่นักเขียนยุคไหนสมัยใดมาเห็นก็ต้องอิดชามาเข้าใจประเด็นสำคัญกันว่าทำไมถึงต้องกลับแก้คำตอบสำหรับคนทั่วไปมักเป็นว่าเพื่อเจอคำผิดหรือเพื่อนึกได้ว่าตกหล่นประเด็นไหนไป แต่คำตอบที่แท้จริงของนักเขียนไม่ใช่แค่นั้นการปรับแก้คือการทำเรื่องเขียนให้เสร็จจริงและคุณจะรู้ว่าเรื่องเขียนเสร็จจริงก็ต่อเมื่อมันน่าสนใจพอสำหรับคนอ่านนี่เปรียบเหมือนการร่อนทองที่เราต้องเอาพลั่วตักดินในแม่น้ำมาใส่เครื่องร่อนเพื่อคัดเอาดินและหินทิ้งไปจนเหลือแต่ทองคาการลงนั่งเขียนมั่วๆสักห้านาที ก็คือการสร้างสายน้ำที่มีทองคำซ่อนอยู่คือจะต้องมีประโยคใดประโยคนึงวลีใดวลีหนึ่งที่เป็นวัคทองปะปนอยู่ในกองขยะเสมอการอ่านครั้งที่สองก็คือการคัดเอาประโยคและวลีที่เป็นขยะนั้นทิ้งไปนั่นเองหลักการฝึกร่อนวัคทองมีดังนี้ 1. ให้ทำความเข้าใจว่าแต่ละบทของหนังสือ หรือแต่ระบทความหนึ่ ง, น, งนั้นย่อหน้าแรกเอาไวเรียกความสนใจส่วนย่อหน้าสุดท้ายคือสิ่งที่คุณอยากให้คนอ่านคิดอย่างไรเข้าใจแบบไหนหรือโดนใจเพียงใดฉะนั้นคุณต้องอ่านทั้งหมดเพื่อหาให้เจอว่าที่คุณเขียนไปมั่วๆนั้นประโยคไหนสามารถเรียกความสนใจได้ให้เอาประโยคนั้นไปขึ้นต้นย่อหน้าแรกส่วนประโยคไหนที่กระตุ้นให้ได้คิดได้นึก ได้รู้สึกตามทิศทางที่คุณต้องการสูงสุดก็ให้เอาประโยคนั้นไปขึ้นต้นย่อหน้าสุดท้ายในการทำอย่างนี้คุณอาจสร้างหน้าเปล่าขึ้นมาใหม่คัดเอาประโยคน่าสนใจมาตั้งต้นเป็นอันดับแรกเคาะเว้นบรรทัดแล้วคัดเอาประโยคชวนคิดมาไว้เป็นอันดับต่อมาเพียงเท่านี้ยคุณก็จะตั้งต้นออกตัวได้อย่างเห็นเส้นชัยแล้ว 2. กลับไปอ่านส่วนที่เหลือคุณน่าจะเห็นภาพรวมว่าที่เขียนทั้งหมดนั้นมีประเด็นอะไรที่จับต้องได้ก็คงประเด็นเหล่านั้นไว้ส่วนประเด็นไหนอ่านแล้วไร้สาระไม่สมเหตุสมผลหรือกระทั่งทำให้รู้สึกแย่ก็ลบทิ้งไปเลยอย่าเสียดายเพราะสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดคือทองซึ่งแม้จะน้อยนิดแต่คุณก็เอาไปคิดต่อยอดได้เมื่อคัดประเด็นได้เรียบร้อย จากนั้นก็มาคัดกันในระดับของประโยคกันต่ออ่านแล้วคัดเอาประโยคซึ่งเคยเห็นที่อื่นบ่อยๆ อ, ออกเหลือไว้เฉพาะที่เห็นน้อยหรือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยส่วนที่คุณเขียนได้แต่ไม่ค่อยเห็นหรือไม่เคยเห็นที่อื่นคือส่วนที่คุณคิดเองไม่ได้ตามใครหากฝึกคัดเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นคุณจริงๆไว้เช่นนี้งานเขียนในระยะยาวของคุณจะไม่ซ้ําแบบใคร และคุณจะไม่นึกอยากลอกเลียนใครด้วยเมื่อคัดได้ส่วนที่ดีไว้แล้วให้นำไปวางไว้ระหว่างย่อหน้าออกตัวกับย่อหน้าเส้นไฉในข้อก่อนคราวนี้การทำงานทางความคิดของคุณจะต่างไปเพราะความคิดส่วนที่ดีที่สุดถูกคัดแยกออกมาจากกระแสขยะทางความคิดแล้ว3เรียบเรียงถ้อยคาให้กลายเป็นเรื่องเป็นราว คือมีต้นมีกลางมีปลายอย่าเพิ่งคำนึงว่าจะให้ดีเลศิศรายละเอียดวิธีเขียนอื่นๆจะทยอยตามมาในส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ที่เรากำลังพูดกันในบทปัจจุบันคือการฝึกมือใหม่ใ ห, ให้ออกตัวและเข้าเส้นชัยแบบง่ายๆเรียกความมั่นใจว่าใครๆก็ทำได้กันก่อนเมื่อเขียนจบให้รอสักพักอาจเป็นชั่วโมงหนึ่ง หรืออาจจะครึ่งวันเอาแบบรอความรู้สึกอยากกลับไปอ่านอีกทีว่าเมื่อครู่ก่อนเขียนอะไรไปบ้างถึงตรงนั้นให้อ่านทบทวนในฐานะของคนอ่านเมื่อกันตัวเองไว้ในฐานะคนอ่านที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็จะเกิดข้อสงสัยและอยากซักถามคนเขียนตามจุดต่างๆคุณจะเห็นอย่างถนัดชัดเจนว่าประโยคหรือคาใหคลุมเครือ สื่อความหมายไม่ชัดเจนอยากให้คนเขียนแก้ใหม่ให้กระจางจุดเหล่านี้แหละที่จะเรียกนักเขียนในตัวคุณออกมาตอบคำถามตัวคุณในภาคคนอ่านก็ขอให้แก้ไขจนกว่าจะไม่เหลือจุดคลุมเครือสำหรับคนอ่านอยู่อีกเลยการเขียนเรื่องให้เสร็จภายในวันเดียวจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เชื่อมัน่นว่าคุณสามารถเขียนอะไรแล้วเสร็จเพราะหากเริ่มฝึกด้วยการเขียนทิ้งไว และค่อยกลับมาเขียนใหม่ในวันต่ อ, ตอมาจะทำให้คุณขาดความเชื่อมั่นว่าจะทำได้จริงเขียนได้จริงและที่สำคัญอา จ, จไม่มีวันสำเร็จเลยเพราะขี้เกียจหมดไฟซะก่อนถ้าคุณทาให้เรื่องมั่วๆไม่ค่อยปฏิติดประต่อกลายเป็นระเบียบมีต้นมีปลายและมีจุดดึงดูดน่าสนใจได้ในวันเดียวขอให้ถือว่านั่นคือการเข้าเส้นชัยครั้งแรก เส้นชัยแรกย่อมก่อให้เกิดความสนุกและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้คุณเป็นนักเขียนได้ดังตริน